ผู้ใหญ่บ้านชื่อจันทะซึ่งแปลว่าวดุร้ายเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนสงบสงเงียมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนบางคนในโลกนี้ยังละราคะไม่ได้เพราะละราคะไม่ได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธยอมแสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายและโดยนัยยะเดียวกันยังละโทสะละโมหะไม่ได้ส่วนคนบางคนในโลกนี้เพราะละราคะโทสะโมหะได้ คนอื่นจึงยั่วให้โกรธไม่ได้เมื่อคนอื่นยั่วให้โกรธย่อมไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏเขาจึงถึงความนับว่าเป็นคนสงบเสงี่ยมนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับว่าเป็นคนดุร้ายหรือเป็นคนสงบเสงี่ยมผู้ใหญ่บ้านชื่อจันทะกราบทูลสรรเสริญพระภาสิต ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตั้งแต่วันนี้จนตลอดชีวิตว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อตาลบุตรนักรุงราชฤกษ์ครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทูลถามดังนี้ว่า ข้าพระองค์ได้ยินคำของพวกนักฟ้อนรำผู้เคยเป็นอาจารย์และปร า, ารญ์ก่อนๆ ก, กล่าวว่านักฟอนรำคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างเท็จบ้างกลางโรงละครกลางงานมหโหสพนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาศในข้อนี้ พระผู้มีพระภาตรัสอย่างไรทรงตอบว่าอย่าเลยผู้ใหญ่จงพักปัญหาข้อนี้ไว้อย่าถามเราเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็เช่นเดียวกันเขาก็ยังยืนยันจะถามเช่นเดิมพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าผู้ใหญ่เราได้ห้ามท่านแล้ว ว่าอย่าถามปัญหาข้อนี้เลยแต่เอาเถอะเราจะตอบแก่ท่านเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากราคาถูกเครื่องผูกคือราคาผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหรสกแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่ง เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศ จ, จากโทสะถูกเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศ จ, จากโมหะถูกเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้ นักฟ้อนรำย่อมรวบรวมธรรมมาเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเข้าไปกลางโรงละครกลางงานมหโหระพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่งนักฟ้อนรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาททั้งทำให้ผู้อื่นมัวเมาประมาทด้วยหลังจกตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อปาหาศัก แต่ถ้าเขามีความเห็นว่านักฟ้อนรำคนใดทําให้ประชาชนโห่เราะร่าเริงด้วยคําจริงบ้างคําเท็จบ้างนักฟ้อนรำคนนั้นหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขาข้อนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นความเห็นผิดและผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติหนึ่งในสองอย่าง คือนอรกหรือกำเนิดสัตว์ดียวรชานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วตาลบุตรได้ร้องไห้น้ำตาไหลพรากตรัสว่าผู้ใหญ่เราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าถามปัญหาข้อนี้กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้เพราะพระองค์ตรัสอย่างนั้นกับข้าพระองค์ แต่ขาพระองค์ถูกพวกนักฟ้อนรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารก่อ น, อนหลอกลวงให้หลงมานานว่านักฟ้อนรมคนใดทำให้ประชาชนหัวเราะร่าเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างหลังตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาศะกผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนรำชื่อตาลบุตรกราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธ์ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะ และกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อได้บวชแล้วไม่นานก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสําหรับพระสูตรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาผู้อ่านเองก็ได้เห็นดารานักร้องและคนในวงการบันเทิงหลายคนนะครับที่คิดว่างานที่ตนเองทำนั้นเป็นบุญทำให้คนอื่นมีความสุขแต่กลับไม่รู้ว่าเป็นการทำบาปอย่างร้ายแรงยิ่งดังมากก็ยิ่งส่งคลเสียมากยิ่งสะสมพลังงานบาปมากพลังงานในที่นี้ก็คือทาให้ผู้คนจานวนมาก เกิดความลุ่มหลงร้องไห้เสียใจตามบทละครโกรธเคืองขัดใจในบทละครซึ่งพลังงานเหล่านั้นสุดท้ายจะส่งกลับไปหาดารานักร้องหรือคนในวงการบันเทิงนั้นๆ น, น, นะครับแล้วก็จะส่งให้เป็นคนที่มีโทสะกล้ามีโมหะกล้ามีราคะกล้าดังนั้นวิธีที่ดีรับใดที่ยังต้องทำงานเช่นนั้นนะครับ แนะนำให้ทำบุญด้านการให้ธรรมะเป็นทานให้มากที่สุดแล้วก็ศึกษาธรรมด้วยตนเองเพื่อจะได้มีภูมิกุ้มกันไว้ทำลายความรักโลกโกรธหลงที่เป็นพลังงานจำนวนมหาศาลสะท้อนกลับเข้ามาหาตนในความเป็นจริงลองย้อนอดีตดูไปนะครับดาราดังระดับโลกหลายคนต้องมีภาวะซึมเศร้าเครียด ทุกยังหาสาเหตุไม่ได้สุดท้ายก็ต้องฆ่าตัวตายแม้จะมีชื่อเสียงมีเงินทองมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องของพลังงานกรรมที่สะท้อนกลับหาตัวเองทำอะไรกับใครไว้ยิ่งคนจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะได้พลังงานนั้นสะท้อนกลับหาตัวเองเช่นกันความสุขที่เขาได้รับเป็นความสุขจากกิเลสไม่ใช่ความสุขแท้จริง ดังนั้นสุขที่เราได้รับก็จะเป็นความสุขจอมปลอมนั้นด้วยเช่นกันนะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อโยธาชีวะผู้ใหญ่บ้านชื่อโยธาชีวะเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าข้าพระองค์ ได้ยินคำของพวกนักรคอาชีพผู้เคยเป็นอาจารย์และปร า, ารย์ก่อนๆกล่าวว่านักรคอาชีพคนใดอุตสาพยายามในการสงครามถูกนักรบพวกอื่นสังหารให้ถึงความตายหลังจากตายจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชื่อสาราชิตะในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร สรงตอบว่าปัญหาข้อนี้จงพักไว้ก่อนอย่าถามเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามโยธาชีวะก็ทูลถามเช่นเดิมเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าถามเลยแต่เอาเถอะเราจะตอบแก่ท่านนักรบอาชีพคนใดอุตสาพยายามในการสงครามจิตถูกเขายึดทำไว้ผิด ตั้งไว้ไม่ดีในเบื้องต้นว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกแทนจงขาดศูนย์จงพินาศหรืออย่าได้มีเมื่อเขาถูกนักรบพวกอื่นสังหารหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อสารชิตะถ้านักรบคนนั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่านักรบอุตสาหะพยายามในการสรงคราม เมื่อถูกนักรบพวกอื่นสังหารหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชื่อสาราชิตตความเห็นเช่นนี้ของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิและผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีกติหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตวเดวรชนโยธาชีวะได้ร้องไห้น้ำตาไหลพราก ที่ถูกพวกอาจารย์และปาาจารย์ก่อนๆหลอกลวงให้หลงเป็นมิจฉาทิฏฐิมานานกราบทูลสรรเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสรณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตหมายเหตุผู้อา่านสำหรับเรื่องนักรบจะตกนรกหรือไม่ตกนรกนั้นยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับในกรณีนี้ ทรงแสดงถึงนักรบอาชีพที่ทำเป็นอาชีพและมีจิตพยาบาทตั้งใจฆ่ามีความสะใจในการฆ่าอยากให้อีกฝ่ายตายหรือพินาศไปสำหรับทหารที่ปกป้องบ้านเมืองทาเพื่อรักษาประเทศชาติเพื่อรักษาชีวิตคนอื่นโดยที่ใจก็ไม่ได้โกรธแค้นเคืองหรือตั้งใจฆ่าแล้วใจยังมีเมตตาจิตเพราะเป็นหน้าที่ที่จาเป็นต้องทำ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของผู้อื่นหลังจากตายแล้วจะขึ้นสวนรรค์หรือตกนรกก็ต้องอยู่ที่กรรมเก่าและจิตก่อนตายด้วยนะครับซึ่งมีกล่าวเรื่องนี้ไว้แล้วในพระไตรปิฎกเล่มก่อนหน้านี้นะครับอสาโรหกเข้าเฝ้าทูลถามเรื่องโดยนัยเดียวกันข้อความเหมือนกันทุกอย่างกับประสุทธ์ที่แล้วนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากนักรบอาชีพ เป็นทหารมา้าซึ่งคําตอบก็เช่นเดียวกันว่าโดยผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกบุตรเนปาวาริกรัมพวันเกีขติเมืองนาลันทาครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออสิพันธกบุตรเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าพวกราหมณ์ชาวปัชชาภูมิ มีคนโทน้ำติดตัวประดับพวงมาลัยสารายอาบน้ำทุกเช้าเย็นบำเรอไฟพรามเหล่านั้นชื่อว่าทำสัตว์ที่ตายแล้วให้ฟื้นให้รู้ชอบให้ขึ้นสวรรค์ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำสัตว์โลกทั้งหมดหลังจากตายแล้วให้ไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้หรือไม่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใหญ่ถ้าเช่นนั้นเราจักย้อนถามในปัญหาข้อนี้ท่านพึงตอบตามสมควรท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเพ่งเลงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนั้นรวมคือประพฤติอคูสลกรรมบทสิบประการหมู่มหาชนพึงมาประชุมและสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถิดท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุรุษนั้นหลังจากตายแล้ว พึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะการสวดอ้อนวอนเพราะการสวดสันเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือไม่ทูลตอบว่าไม่ได้เปรียบเหมือนบุตษโยนก้อนหินใหญ่ลงในห้วงน้าลึกหมู่มหาชนพึงมาประชุมและสวดอ้อนวอนสวดสันเสริญประนมมือเดินเวียนรอบก้อนหินใหญ่นั้นว่าโผล่ขึ้นเถิด พอก้อนหินใหญ่ลอยขึ้นเถิดพอก้อนหินใหญ่ขึ้นบวกเถิดพอก้อนหินใหญ่เรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ทูลตอบว่าไม่ได้อุปมาณนั้นฉันใดอุปใหม่นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดเป็นผู้ประพฤติอกุศละกรรมบทสิบประการมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นนั้น มูมหาชนพึงมาประชุมและสวดอ้อนวอนขอให้บุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์เถิดแม้สวดอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ก็จริงถึงกระนั้นบุรุษนั้นหลังจากตายไปแล้วพึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกและโดยนายักษตรงกันข้ามบุรุษในโลกนี้ ประพฤติกุศลกรรมมบดสิทประการคือมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการมเว้นจากการพูดเท็จพูด ส, อส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิมูมหาชนพึงมาประชุมและสวดอ้อนวอน ขอให้บูรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกย่อมทำไม่ได้เปรียบเหมือนบูรุษดำลงในห้วงน้ำลึกแล้วทุกหม้อเนยใสหรือหม้อน้ามันก้อนกรวดหรือกระเบื้องหม้อนั้นพึ่งจมลงในห้วงน้ำนั้นส่วนเนยใสหรือน้ำมันในหม้อนั้นพึ่งลอยขึ้น มูมหาชนพึงมาประชุมและสวดอ้อนวอนขอให้เหนยใสยและน้ำมันนั้นจมลงดิ่งลงข้อนี้ย่อมทำไม่ได้อุปมานั้นฉันใดอุปไหยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดประพฤติกุศ ล, ลกรรมบทสิบประการคือการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ไม่มีจิตพยาบาทเป็นสมาธิเป็นต้นนั้น หมู่มหาชนประชุมและสวดอ้อนวอนขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกแม้ทำเช่นนั้นจริงถึงกระนั้นบุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อาศิพันตกาบุตรได้กราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธประกาศตนเป็นอุบาศก พ, พูดถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตว่าด้วยอุปมาด้วยนาณปาวาริกรัมพวันเขตเมืองนาลันธาครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออาสิพันธกบุตรเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาค ทรงมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์มิใช่หรือทรงตอบว่าเป็นเช่นนั้นทูลถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรจึงทรงแสดงธรรมโดยเคารพแก่คนบางพวกไม่ทรงแสดงธรรมโดยเคารพเช่นนั้นแก่คนบางพวกผู้ใหญ่ถ้าเช่นนั้นเราจะย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้ ท่านพึงตอบตามสมควรท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกหาบดีชาวนาในโลกนี้มีนาอยู่สามชนิดคือชนิดหนึ่งเป็นนาดีชนิดหนึ่งเป็นนาปานกลางชนิดหนึ่งเป็นนาเลวมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวถ้าหากก้าบดีชาวนาประสงค์จะหว่านพืชจะหว่านในนาชนิดไหนก่อน คือนาชนิดดีโน้นชนิดปานกลางโน้นหรือชนิดเลวซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวทูลตอบว่าพึงหวานในนาชนิดดีก่อนแล้วหวานลงในนาชนิดปานกลางแล้วหวานบ้างไม่หวานบ้างในนาชนิดเลวข้อนั้นเพราะโดยที่สุดก็จกเป็นอาหารของโคผู้ใหญ่ เราแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรอมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนขะาบวบดีชาวนาวานพืชในานาชนิดดีโน้นฉะนั้นข้อนั้นเพราะภิกษุและภิกษุณีเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่ง มีเราเป็นที่อาศัยมีเราเป็นที่ต้านทานมีเราเป็นสรณะอยู่และโดยในยะเดียวกันเราแสดงธรรมแก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนขหาบดีชาวนาหว่านพืชในนาชนิดปานกลางนวนฉะนั้นข้อนี้เพราะอุบาสกและอุบาสิกาเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งเป็นสรณะ แล้วเราแสดงธรรมแก่อัญญาเดรถีสมณพราหมณ์และปริพาชกทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนก้าบดีชาวนาหวานพืชในานาชนิดแหลว น, น้นซึ่งมีดินแข็งมีดินเค็มพื้นดินเลวข้อนั้นเพราะอัญญะเดรถีสมณพราหมณ์และปริพาชกเหล่านั้นพึงรู้ธรรมะแม้บทเดียวความรู้นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่พวกเขาสิ้นกาลนานเปรียบการแสดงธรรมกับการตักน้ำใส่องูน้าผู้ใหญ่เปรียบเหมือนบุรุษมีองค์น้ำสามใบคือองคหนึงไม่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกไม่ได้อีกใบไม่มีรอยร้าวแต่น้ำซึมไหลออกได้และอีกใบ มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกได้บุรุษนั้นประสงค์จะใส่น้ำพึงใส่ในโอง่งน้ำใบไหนก่อนทูลตอบว่าพึงใส่ในใบที่ไม่มีรอยร้าวและน้ำซึมไหลออกไม่ได้ก่อนเราค่อยใส่ในโอค์ที่ไม่มีรอยร้าวแต่น้ำซึมไหลออกได้เราใส่บ้างไม่ใส่บ้างในโอง่งน้ำใบที่มีรอยร้าว น้ำซึมไหลออกได้ข้อนั้นเพราะที่สุดก็จะเป็นน้ำใช้ล้างสิ่งของได้อุปมาณนั้นฉันใดอุปมาันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราแสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีเปรียบเหมือนใส่น้ำในโอ่ ง, งน้าใบที่ไม่มีรอยร้าวเพราะภิกษุและภิกษุณีเหล่านั้นมีเราเป็นที่พึ่งมีเราเป็นสรณะอยู่ เราแสดงธรรมแก่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเปรียบเหมือนบุรุษใส่น้ำในองค์ใบที่ไม่มีรอยร้าวแต่น้ำซึมไหลออกได้และเราแสดงธรรมแก่อัญญาเดียรถีสมณพราหมณ์และปริภพาชกทั้งหลายของเราเปรียบเหมือนบูรุษใส่น้ำในองค์น้ำใบที่มีรอยร้าวน้ำซึมไหลออกได้ฉะนั้น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 ว่าด้วยคนเป่าสังครั้งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่ออาศิษษษพันตะบุตรผู้เป็นสาวกของนิครนเข้าเฝ้าถึงที่พระทับพระผู้มีพระภาคทรงถามดังนี้ว่าผู้ใหญ่นิครนธนตบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างไรทูลตอบว่านิครนธนตบุตรนั้น แสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกผู้ลักทัพท์ทั้งหมดผู้ประพฤติผิดในกรรมทั้งหมดผู้พูดเท็จทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกกรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปทรงถามว่า เมื่อสอนว่ากรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่มีใครๆไปอบายตกนรกตามคําของนิครนทนาตบุตรเลยท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษผู้ฆ่าสัตว์อาศัยเวลาและไม่ใช่เวลาของกลางคืนหรือกลางวันเวลาที่เขาฆ่าสัตว์หรือเวลาที่เขาไม่ฆ่าสัตว์ เวลาไหนจะมากกว่ากันทูลตอบว่าเวลาที่เขาไม่ฆ่าสัตว์นั้นมากกว่าและโดยในยะเดียวกันทรงถามว่าบุรุษผู้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จในเรื่องทั้งหมดนั้นเวลาที่ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จย่อมมากกว่า นิครนทนาตะบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่ากรรมใดๆมีอยู่มากกรรมนั้นๆย่อมนำบุคคลไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่มีใครๆไปอบายตกนรกตามคำของนิครนทนาตะบุตรเลยศา ส, สดาบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมผู้เทศ ทั้งหมดต้องไปอบายตกนรกสาวกผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งและเชื่อมั่นในทิฏฐิตามศาสดาของตนนั้นแล้วสาวกของศาสดานั้นกลับได้ทิฏฐิคือคิดได้ว่าสัตว์ที่ถูกเราฆ่าก็มีอยู่แม้เราก็ต้องไปอบายตกนรกเขาไม่ละคำพูดไม่ละความคิดไม่ละทิฏฐินั้นย่อมตกนรกในเบื้องต้น คือเกิดความทุกข์ใจสาหัสเหมือนถูกนำมาขังไว้และโดยนัยยะเดียวกันสาวกนั้นมีความเชื่อมั่นในทิฏฐิตามศาสดานั้นว่าผู้ลักทรัพย์ทั้งหมดต้องไปอบายผู้ประพฤติผิดในกามทั้งหมดต้องไปอบายผู้ผู้เทจทั้งหมดต้องไปอบายแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็คิดได้ว่า การที่เราลักทรัพย์ก็มีอยู่บ้างหรือการที่เราประพฤติผิดในกางก็มีอยู่บ้างหรือการที่เราพูดเท็จก็มีอยู่บ้างดังนั้นแม้เราเองก็ต้องไปอบายตกนรกหากเขายังไม่ละความคิดไม่สละทิฏฐินั้นย่อมตกนรกเป็นทุกข์ใจเหมือนถูกนํามาขังไว้ฉะนั้น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 และกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตำหนิติเตียนการลักทรัพย์โดยประการต่างๆเป็นอันมากและกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการลักทรัพย์ตำหนิติเตียนการประพฤติผิดในการโดยประการต่างๆเป็นอันมากและกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการประพฤติผิดในการ ตำหนิติเตียนการพูดเท็จโดยประการต่างๆเป็นอันมากและกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการพูดเท็จสาวกผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในศาสดานั้นพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนการฆ่าสัตว์โดยประการต่างๆเป็นอันมากและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ อันหนึ่งสัตว์ที่ถูกเราฆ่าก็มีอยู่มากการที่เราฆ่าสัตว์มากมายนั้นไม่เป็นการดีงามเลยเราเท่านั้นพึงเป็นผู้เดือดร้อนเพราะการฆ่าสัตว์นั้นเป็นปัจจัยเราไม่ได้ทำบาป ก, กรรมนั้นก็หาไม่ได้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละการฆ่าสัตว์นั้นและเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ต่อไป เธอละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมนั้นได้ด้วยประการชนนี้และโดยนัยยะเดียวกันกับเรื่องของการฆ่าสัตว์คือการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามและการพูดเท็จสาวกผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในศาสดาพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนการลักทรัพย์ การประพฤติผิดในการการพูดเท็จและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากการลักทรัพย์การพูดเท็จนั้นอันหนึ่งเมื่อคิดได้ว่าการลักทรัพย์หรือการประพฤติผิดในการหรือการพูดเท็จเรานั้นก็เคยมีเคยทำการที่เราทำเช่นนั้นไม่เป็นการดีงามเลยเราเท่านั้น พึงเป็นผู้เดือดร้อนจากการกระทํานั้นเราไม่ได้ทําบาปกรรมนั้นก็หาไม่ได้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วยอมละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ต่อไปยอมละการประพฤติผิดในกา ร, รมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกา ร, รมต่อไปยอมละขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จต่อไปเธอละบาปกรรม กาวล่วงบาป ก, กรรมนั้นได้ด้วยประการชนนี้สาวกนั้นละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละละเว้นขาดจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในการการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อความเพ่งเลงอยากได้ของของผู้อื่นความประทุษร้ายที่เกิดจากพยาบาท มีจิตไม่พยาบาทละมิชาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอริยสาวกนั้นปราศจากความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นปราศจากพยาบาทอย่างนี้ไม่หลงมีสัมปัตชัญญะมีสติมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิฏฐิหนึ่งทิฏฐิสองทิฏฐิสามทิฏฐสี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตอันไพยบู์เป็นมหคัตไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ผู้ใหญ่กรรมที่ทำพอประมาณในเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปาวจร และเอารูปาวจรเลยเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ได้ยินตลอดทิศทั้งสีได้โดยไม่ยากเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่ออาศิพันทะกาบุตรสาวกของนิกรนได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ว่าด้วยเหตุที่ทำให้ตระกูลขับแค้นสมัยหนึ่งพระผู้มีประภาคประทับอยู่ณปาวาริกรัมภวันเขตเมืองนาลันธาสมัยนั้นเมืองนาลันธาเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อน สมัยนั้นนิครนธนตบุตรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนารันธาพร้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่ออาศิพันธกาบุตรสาวกของนิครนเข้าไปหานิครนธนตบุตรนิครนธนตบุตรได้บอกให้เขาไปโตวาธะกับพระสมณโคดมด้วยข้อความดังนี้ให้ถามว่าพระผู้มีพระภาค ย่อมส่งสันเสริญความเอ็นดูสันเสริญความรักษาความอนุเคราะห์แก่ตระกูลทั้งหลายโดยประการเป็นอันมากใช่หรือไม่ถ้าตอบว่าใช่ก็ให้ถามต่อว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมพระองค์กับภิกษุสงมูใหญ่จึงเสด็จจาริกไปในเมืองนาลันทาซึ่งเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่ร้นแค้นพระผู้มีพระภาค ท่านทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนตระกูลเพื่อความเสื่อมเพื่อความคับแค้นแห่งตระกูลผู้ใหญ่สมณะโคดมถูกท่านถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยทีเดียวอัสิีพันตกาบุตรรับคำแล้วทำตามเช่นนั้นเมื่อทูลถามว่าทำไมพระผู้มีพระภาคกับภิกษุษสงฆ์จึงจาริกไปเมืองนาลันทา ซึ่งเกิดเข้ายากหมากแพงนั้นทรงตอบว่านับแต่กลับนี้ไป91กลับที่เราระลึกได้ว่าเราไม่รู้ว่าเคยเบียดเบียนตระกูลไหนด้วยการถือเอาพิกษาที่หุงต้มแล้วที่แท้ตระกูลทั้งหลายที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินทองเครื่องประดับทรัพย์และเข้าเปลือกมาก ทั้งหมดนั้นเกิดเพราะการให้เกิดเพราะความมีสัจจรและเกิดเพราะความสำรวมคำว่าหนึ่งกับหมายถึงระยะเวลาอันนานเหลือเกินโบราณถือว่าโลกป ล, ลายครั้งหนึ่งเป็นสิ้นกับหนึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้ตระกูลคับแค้นแปดประการ ข้อนี้น่าจะแปลว่าร้นแค้นหรือขาดแคลนมากกว่าคับแค้นนะครับทั้งนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าพระไตรปิฎกนั้นถูกแปลมานานแล้วคำบางคำใช้ในสมัยก่อนเข้าใจอย่างหนึ่งแต่ในสมัยปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็เข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้ตระกูลคับแค้นหรือร้านแค้นขาดแคลนนั้น มีแปดประการคือจากพระราชาจากโจรจากไฟจากน้ำด้วยทัพย์ที่ฝังไว้เคลื่อนที่ไปจากการงานที่ประกอบไม่ดีทำให้ตระกูลวิบัติทรัพย์ในตระกูลกลายเป็นทานเพลิงและการที่บุคคลใช้ใจ่ายพกทรัพย์สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยทำให้ตระกูลเปลี่ยนแปลงไป บุคคลใดพึงกล่าวหาเราว่าพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนตระกูลเพื่อความเสื่อมเพื่อความคับแค้นแห่งตระกูลบุคคล น, นั้นไม่ละคำพูดไม่ละความคิดไม่สละทิฏฐินั้นย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ผู้ใหญ่บ้านชื่ออาศิพันตกาบุตรได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิทธประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจูลกะักณกรุงราชฤกึ์สมัยนั้นพวกข้าราชบริพาล น, นั่งประชุมกันในราชบริษัทภายในพระราชวัง ได้สนทนากันขึ้นว่าทองและเงินสมควรแก่สมณะสักกายบุตรหรือไม่สมณะสักกายบุตรยินดีทองและเงินได้หรือไม่รับทองและเงินได้หรือไม่สมัยนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อมณิจุลกันั่งอยู่ในที่นั้นได้กล่าวว่านายท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ทองและเงินไม่สมควรแก่สมณะสักกายบุตร สมณะสักยะบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินสมณะสักยะบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินมณิจุลกะสามารถให้บริษัทนั้นยินยอมได้ต่อมามณิจุลกะเข้าเป้ากราบทูลถวายเรื่องนี้ให้ทรงทราบแล้วทูลถามว่าเมื่อตอบอย่างนี้ ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระองค์ตรัสไว้หรือไม่ทรงตอบว่าดีแล้วผู้ใหญ่เมื่อท่านตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เราพูดไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลเพราะว่าทองและเงินไม่สมควรแก่สมณะสักยะบุตรสมณะสักยะบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงิน สมณะสักยบุตรห้ามแก้วมณีและทองปราศจากทองและเงินผู้ใหญ่ทองและเงินควรแก่ผู้ใดกามกุลห้าก็ควรแก่ผู้นั้นกามมกุลห้าควรแก่ผู้ใดทองและเงินก็ควรแก่ผู้นั้นเราให้เข้าใจเรื่องนี้โดยส่วนเดียวว่าข้อนี้ไม่ใช่ธรรมะของสมณะ ไม่ใช่ธรรมะของสักกายบุตรอันหนึ่งเรากล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงสแสวงหายาผู้ต้องการไม้พึงสแสวงหาไม้แต่เราไม่กล่าวเลยว่าพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินโดยประการใดๆว่าด้วยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อคันทพัพกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอุรุเวลกับปานิคมของชาวมัลละแขวนมัลละครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อคันทพัพกะเข้าเฝ้าทูลขอให้โปรดทรงแสดงเหตุเกิดและความดับทุกข์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใหญ่เราพึงปาราบอดีตการ แสดงเหตุเกิดทุกข์และความดับทุกข์แก่ท่านว่าอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงในเรื่องนั้นพึงมีแก่ท่านถ้าเราพึงปรารพอนาคตกตการแสดงเหตุเกิดทุกข์และความดับทุกข์แก่ท่านว่าอนาคตการจะมีอย่างนี้ความเคลือบแคลงความสงสัยในเรื่องนั้นพึงมีแก่ท่านอหนึ่ง เรานั่งอยู่ในที่นี้แลจกแสดงเหตุเกิดและความดับทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ในที่นี้เหมือนกันท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมีอยู่ไหมที่โสกะคือความเศร้าโศกปริเทวะความคร่มกรวนความทุกข์กายโทมนัตความทุกข์ใจและอุปายาต ความขับแค้นใจพึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวลากับปะนิคมถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษทูลตอบว่ามีอยู่พระเจ้าค่าทรงถามว่ามีอยู่ไหมที่โศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ชารุเวลากับปนิคมถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษทูลตอบว่ามีอยู่พระพุทธเจ้าค่าผู้ใหญ่อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โสกาบริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตพึงเกิดขึ้นแก่ท่านหรือไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะเหตุเหล่านั้นทูลตอบว่า โสกกะปริเทวะเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะหมู่มนุษย์ชาวอูรุเวลากับปะนิคมเหล่าใดถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษก็เพราะข้าพระองค์มีฉันทราคะมีความพอใจมีความรักใกล้ในหมู่มนุษย์เหล่านั้นส่วนเรื่องที่ว่าโสกกะปริเทวะเป็นต้นนั้นไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ ก็เพราะค้าพระองค์ไม่มีสันทราคาในหมู่มนุษย์เหล่านั้นผู้ใหญ่ท่านจงนำไตรยะไปในทุกข์ที่เป็นอดีตและอนาคตด้วยธรรมะนี้ที่ท่านเห็นทราบบรรลุโดยไม่ประกอบด้วยการอย่างลงแล้วทุกข์ที่เป็นอดีตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดมีฉันทะ ความพอใจเป็นรากเง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเง้าแห่งทุกข์แม้ทุกข์ที่เป็นอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดจะเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดมีฉันทะเป็นรากเง้ามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเง้าแห่งทุกข์ฉันทะ คือความพอใจความชอบความรักใคร่ความยินดีคันธภักดกกราบทูลสรรเสริญพระพาสิทธและทูลว่าข้าพระองค์มีกุมารชื่อจิรวาสีอาศัยอยู่ภายนอกที่พักข้าพระองค์ตื่นแต่เช้าตรู่แล้วสั่งคนให้ไปดูลูกชายของข้าพระองค์นั้นตราบไดที่บุรุษนั้นยังไม่มากราบนั้น ความกระวนกระวายใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์ว่าภัยใดๆอย่าได้เบียดเบียนจิราวาศีกุมารเลยทรงถามว่าผู้ใหญ่โสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตพึงเกิดขึ้นเพราะจิราวสีกุมารถูกประหารจองจำปรับไหมหรือถูกตำหนิโทษหรือไม่ทูลตอบว่าแม้ยังมีชีวิตอยู่ ความกระวนกระวายใจยังมีแก่ข้าพระองค์ก็ทำไมโศกปบบริเทวะเป็นต้นนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์เพราะชิราวาสีกุมารถูกประหารจองจำปรับไหมเพราะถูกตำหนิโทษเล่าผู้ใหญ่ท่านพึงทราบเนื้อความนั้นโดยเหตุนี้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดมีฉันทะ คือความพอใจความรักใกล้ความยินดีเป็นรากเงามีชันทะเป็นเหตุเพราะชันทะเป็นรากเงาแห่งทุกข์ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อใดท่านไม่ได้เห็นมารดาของจิรวาสีกุมารไม่ได้ฟังเสียงเมื่อนั้นท่านยังมีฉันทราคะ หรือความรักในมารดา ข, ของจิราวาสิกุมานหรือไม่ทูลตอบว่าไม่มีทรงถามว่าเพราะอาศัยการเห็นหรือการฟังท่านจึงได้มีสันธารคาหรือความรักในมารดา ข, ของจิราวาสิกุมานหรือไม่ทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรโสกาบริเทวะทุกทมนัตและอุปายาต พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะมารดาของจิราวาสีกุมารถูกประหารจองจําปรับไหมหรือถูกตําหนิโทษหรือไม่ทูลตอบว่าแม้เมื่อมารดาของจิราวาสีกุมารยังมีชีวิตอยู่ความกระวนกระวายก็ยังมีแก่ข้าพระองค์ก็ทําไมโสกะบริเทวะเป็นต้นนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ เบรมาดาของจิราวาสีกุมานถูกประหารจองจาปรับไหมหรือถูกตาหนิโทษเล่าผู้ใหญ่ท่านพึงทราบความข้อนั้นโดยเหตุนี้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดมีสันทะเป็นรากเงามีฉันทะเป็นเหตุเพราะฉันทะเป็นรากเงาแห่งทุก ว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อราศิยะครั้งหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่อราสิยะเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าได้ยินมาว่าพระสมณโคดมทรงตำหนิตบะทุกชนิดทรงชี้โทษและคัดค้านผู้บัมเพนตบะทั้งปวงว่าเป็นอยู่เศร้าหมองโดยส่วนเดียวคำที่สมณพราบางคูวกล่าวอย่างนี้ ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้หรือไม่ทรงตอบว่าไม่ชื่อว่าพูดตรงตามคำที่เราพูดไว้และชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำเปล่าคำเท็จบรรพชิตไม่พึงเสพที่สุดสองอย่างคือการมาสุขคันลิกานุโยกการหมกมุ่นอยู่ด้วยสุขในการมทั้งหลายเป็นธรรมะอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยไม่ประกอบด้วยประโยชน์และอัตตากิละมฐานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยไม่ประกอบด้วยประโยชน์มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วมันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุขคือปัญญาจักสุข ก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานมาัชจิมาปฏิปทานั้นคืออริยมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาส ม, มาธินีแลผู้ใหญ่การโพกีบุคคลหมายถึงผู้บริโภคกรารผู้ครองเรือนขรือหัส การโภคีบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือพวกที่หนึ่งการโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโภกทรัพโดยไม่ชอบทำด้วยการทำงานที่ผิดครั้นสแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตนให้อิ่มหนาและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญพวกหนึ่งเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสำราญแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ พวกหนึ่งเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสำราญและแจกจ่ายทาบุญประเภทที่สองการโภลขีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาโพกทระซับโดยชอบทำและไม่ชอบทำด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างครั้นสแสวงหาได้แล้วพวกหนึ่งไม่เลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสาราญและไม่แจกจ่ายไม่ทาบุญอีกพวกหนึ่ง เลี้ยงตนให้อิ่มนำสาราญแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญอีกพวกหนึ่งเลี้ยงตนให้อิ่มนำสาราญและแจกจ่ายทำบุญประเภทที่สามการโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้สแสวงหาภพกรัพย์โดยชอบทำด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่เลี้ยงตนให้อิ่มนำสาราญและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ อีกพวกหนึ่งเลี้ยงตนให้อิ่มน้ำสำราญแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญอีกพวกหนึ่งเลี้ยงตนให้อิ่มนำสำราญและแจกจ่ายทำบุญในบุคคลประเภทสุดท้ายนี้แยกได้อีกสองจำพวกคือสแสวงหาโพกทรัพย์ดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดเลี้ยงตนเองให้อิ่มนำสำราญแจกจ่ายและทำบุญ แต่พวกหนึ่งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจอ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภะกรัพย์เหล่านั้นส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจอ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภะกรัพย์เหล่านั้น ในบรรดากาโรโคีบุคคลสามจำพวกนั้นกาโรโคีบุคคลที่สแสวงหาโภพทระซั์โดยไม่ชอบรรมด้วยการงานที่ผิดแลาไม่เลี้ยงตนไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรติเตียนโดยสามสถานสถานที่หนึ่งคือสแสวงหาโภคกรัพย์โดยไม่ชอบรรมด้วยการทำงานที่ผิดสถานที่สองคือไม่เลี้ยงตนให้อิ่มนำสาราญ และสถานที่สามคือไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญการโพคีบุคคล น, นี้ควรติดเตียนโดยสามสถานนี้และโดยนัยยะเดียวกันบุคคลทั้งสามประเภทนั้นหากมีข้อใดข้อหนึ่งคือการงานที่ผิดไม่เลี้ยงตนไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญก็ควรถูกติดเตียนด้วยเหตุนั้ น, น, น โดยในยะตรงข้ามกันบุคคลใดสแสวงหาโภกทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานไม่ผิดเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสําราญแจกจ่ายทําบุญก็ควรสรรเสริญในแต่ละข้อนั้นการโพคีบุคคลที่สแสวงหาโภกทรัพย์โดยชอบธรรมเลี้ยงตนให้อิ่มหนำสําราญทั้งแจกจ่ายทําบุญ แต่ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยพกกะซับเหล่านั้นเป็นผู้ควรสรรเสริในทุกข้อนั้นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมองสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือบุคคลบางคนในโลกนี้บำเพ็ญตบะเป็นอยู่เศร้าหมอง มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าฉไหนหนอเราพึงบรรลุกุศ ล, ลธรรมฉัไหนหนอเราพึงทำให้แจ้งยานัทสนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์เขาทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายไม่บรรลุกุศลธรรมและไม่ทำให้แจ้งยานัทสนะ ที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่ากุศลกรรมบทสิบประการคือธรรมะของมนุษย์จำพวกที่สองทำตนให้เดือดร้อนบรรลุกุศลธรรมแต่ไม่ทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์พวกที่สามทำตนให้เดือดร้อนบรรลุกุศลธรรม และทำให้แจ้งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์บุคคลทั้งสามประเภทนั้นควรถูกติเตียนด้วยแต่ละประการที่ตนมีดังนี้สถานที่หนึ่งทำตนให้เดือดร้อนกระวนกระวายสถานที่สองไม่บรรลุกุศลละธรรมและสถานที่สาม ไม่ทำให้แจ้งยานธัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์บุคคลใดมีข้อใดในสามข้อนี้ก็ควรติเตียนในข้อนั้นๆส่วนบุคคลที่ทำตนให้เดือดร้อนแต่สามารถบรรลุอุสรธรรมทำให้แจ้งยาธณธัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมะของมนุษย์ บุคคลนั้นก็ควรถูกสรเสริญในข้อนั้นๆธรรมะสามประการนี้ที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่กร่ำคลึกไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนธรรมะสามประการคือประการที่หนึ่ง บุคคลผู้มีราคะย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างหรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเพราะราคะเป็นเหตุเมื่อละราคะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายนี้เป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่กล้ำครึกไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประการที่สองโดยในยะเดียวกันบุคคลผู้มีโทสะเพราะโทสะเป็นเหตุย่อมคิดเบียดเบียนตนเองบ้างผู้อื่นบ้างหรือทั้งสองฝ่ายบ้างเมื่อละโทสะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเบียดเบียนประการที่สบุคคลผู้มีโมหะ ราะโมหะเป็นเหตุย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเบียดเบียนนี้เป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่กล้ามคลื้อไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่อราศิยะได้กราบทูลสรรเสริญพระภาสิตรประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตว่าด้วยผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตะลิยะนักแคว้นโกริยะครั้งนั้น ผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลียะเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าสมณพรามกล่าวว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักมารยาข้อนั้นชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระองค์ตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่หรือไม่ทรงตอบว่าเรื่องนี้ชื่อว่าผู้ตรงตามคําที่เราพูดไว้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าวที่ได้ยินมาจริงทีเดียวข้าพระองค์ไม่เชื่อสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าพระสมณะโคดมทรงรู้จักมารยาแต่ได้ยินว่าพระสมณะโคดมทรงมีมานยาผู้ใหญ่บ้านผู้ใดกล่าวว่าเรารู้จักมารยาผู้นั้นก็เท่ากับกล่าวว่าเรามีมานยา เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงตอบตามสมควรท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านรู้จักพวกทหารผมยาวชาวโกริยะหรือไม่ทูลตอบว่ารู้จักทหารผมยาวชาวโกริยะนั้นมีไวเพื่อประโยชน์อะไรทูลตอบว่ามีไวเพื่อป้องกันพวกโจรชาวโกริยะ และเพื่อการทําหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวโกรหลยะทรงถามว่าท่านรู้จักพวกทหารผมยาวในนิคมของชาวโกรหลยะว่ามีศีลหรือทุศีลทูลตอบว่าเป็นผู้ทุศีลมีธรรมะเลวซามผู้ใหญ่ผู้ใดพึงกล่าวว่าผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลียะรู้จักพวกทหารผมยาว ชาวโกริยะวัตุศีลมีธรรมะเลวซามแม้ผู้ใหญ่บ้านชื่อปตัตตลรยะก็ทุศีลมีธรรมะเลวซามผู้นั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวถูกหรือไม่ทูลตอบว่ากล่าวอย่างนั้นไม่ถูกพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าพวกทหารผมยาวก็มีธรรมอย่างหนึ่งข้าพระองค์ก็มีธรรมอีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรื่องนี้ก็เช่นกันเรารู้ชัดมารยาผลของมารยาและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้มีมารยาหลังเจ็กตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเรารู้ชัดการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จพูดคํหยาพูดส่อเสียด พูดเพ้อเจรอเรารู้ชัดความเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นความประทุษร้ายที่เกิดจากพยาบาทเรารู้ชัดมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดผลของสิ่งเหล่านั้นและข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บุคคลผู้เป็นและมีและปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรก มีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดย่อมสวยทุกโทมนัสในปัจจุบันผู้ลักทรัพย์ทั้งหมดผู้ประพฤติผิดในกามผู้พูดเท็จทั้งหมดย่อมสวยทุกโทมนัสในปัจจุบันแต่ปรากฏว่าคนบางคนในโลกนี้คล้องพุงมายใส่ตุ้มหูอาบน้าอย่างดีรูปไล่อย่างดี แต่งผมและหนวดบำเรอญตนด้วยกามอย่างพระราชาคนทั้งหลายพูดถึงผู้นั้นว่าบุรุษนี้ได้ทำอะไรจึงเสวยสุขอย่างพระราชาอย่างนั้นคนทั้งหลายพูดถึงผู้นั้นอีกว่าบุรุษนี้ข่มฆ่าศึกของพระราชาแล้วปลิดชีพมันซะพระราชาทรงพอพระทัยได้พระราชทานรางวัลแก่เขา ด้วยเหตุนั้นเขาจึงได้เสวยสุขอย่างพระราชาปรากฏว่าคนบางคนในโลกนี้ถูกมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงด้วยเชือบที่เหนียวแล้วโกนศีรษะแห่ประจานไปตามถนนแล้วจึงถูกตัดศีรษะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะบุรุษนี้เป็นศัตรูของพระราชาได้ปลิดชีพสตรีหรือบุรุษ ด้วยเหตุนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้จับเขามาลงโทษเช่นนี้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเรื่องเช่นนี้ท่านได้เห็นหรือได้ยินมาบ้างหรือไม่ทูลตอบว่าข้าพระองค์ได้เห็นได้ยินทั้งจากได้ยินต่อไปพระพุทธเจ้าค่าบรรดาสมณพรามเหล่านั้น สมณพราหมณ์ที่มีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดย่อมเสวยทุกโทมนัดในปัจจุบันข้อนี้ถือว่าพูดจริงหรือพูดเท็จทูลตอบว่าพูดเท็จก็สมณพราหมณ์พวกที่พูดปดมดเท็จมีศีลหรือทุศีลทูลตอบว่าทุศีลสมณพราหมณ์พวกที่ทุศีล มีธรรมะเลวสามถือว่าปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกทูลตอบว่าปฏิบัติผิดสมณพราหมณ์พวกที่ปฏิบัติผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิทูลตอบว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทรงถามว่าควรหรือไม่ที่จะเลื่อมใสในสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้น ทูณตอบว่าไม่ควรเลยข้อที่ว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดย่อมเสวยทุกโทมนัตในปัจจุบันข้อนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผู้ฆ่าสัตว์จะไม่ต้องเสวยทุกข์ในที่นี้ท่านหมายถึงเฉพาะในปัจจุบันเพราะการผิดศีลฆ่าสัตว์หลังจากตายแล้วยังไงก็ต้องเสวยทุกนะครับ และโดยในยะเดียวกันทรงถามผู้ใหญ่บ้านนั้นว่าคนบางคนสวยสุขอย่างพระราชาก็เพราะว่าเขาได้คมขู่ยึดเอารัตนะของข้าศึกของพระราชามาได้พระราชาทรงพอพระทยัยจึงพระราชทานรางวัลแก่เขาส่วนคนบางคนถูกลงโทษตัดศีรษะก็เพราะเหตุที่ว่า เขาลักทรัพย์จากบ้านบ้างจากป่าบ้างเพราะเหตุนั้นพระราชาจึงรับสั่งให้จับเขาลงโทษเช่นนั้นการที่สมณพราหมณ์ผู้มีวาทะมีทิฏฐิว่าผู้ลักทรัพย์ทั้งหมดย่อมสวยทุกโทมนัในปัจจุบันถือเป็นการพูดเท็จเมื่อพูดเท็จก็คือทุศีลผู้ทุศีลย่อมปฏิบัติผิด ผู้ปฏิบัติผิดย่อมเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่กวนเลื่อมใสในสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นและโดยในยะเดียวกันคนบางคนในโลกนี้เสวยสุขอย่างพระราชาเหตุเพราะว่าประพฤติผิดในพัญญาของข้าศึกของพระราชาพระราชาทรงพอพระทยัยจึงพระราชทานรางวัลแก่เขา ส่วนคนบางคนถูกลงโทษประจานและตัดศีรษะก็เพราะว่าเขาประพฤติผิดทางการมในเหล่ากุลสตรีในเหล่ากุลกุมารีด้วยเหตุนี้จึงถูกลงโทษเช่นนั้นบุคคลบางคนในโลกนี้สวยสุขอย่างพระราชาก็เพราะเหตุว่าบุรุษนี้ทำให้พระราชาทรงพระส่วนด้วยการพูดเท็จ พระราชาทรงพอพระไทยจึงพระราชาทานรางวัลแก่เขาส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกประจานตัดศีสักก็เพราะเหตุที่ว่าบุรุษนี้ทำลายประโยชน์ของข้าห า, าบดีบ้างของบุตรข้าหาบดีบ้างด้วยการพูดเท็จบรรดาสมณพราหมณ์เหล่าใดกล่าวว่าผู้ฆ่าสัตว์ผู้ลักทรัพย์ผู้ประพฤติผิดในกาม ผู้พูดเทจย่อมสวยทุกโทมานัทในปัจจุบันข้อนั้นชื่อว่าผู้พูดเทจผู้พูดเทจย่อมเป็นผู้ทุศีลผู้ทุศีลย่อมปฏิบัติผิดผู้ปฏิบัติผิดย่อมเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ควเรเลื่อมใสในสมณพราหมผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นปาตาลิยะ กราบทูลสรรเสริญพระภาษิตและทูลว่าข้าพระองค์มีบ้านพักอยู่หลังหนึ่งในบ้านพักนั้นมีเตียงมีที่นั่งมีออค์น้ามีตะเกียงน้ำมันผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพรามเข้าพักในที่นั้นข้าพระองค์จะแจกแก่ผู้นั้นตามความสามารถตามกำลังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้ว ศา ส, สดาทั้งสี่ซึ่งมีทิฏฐิต่างกันมีความพอใจต่างกันมีความชอบใจต่างกันเข้าพักในบ้านพักนั้นศา ส, สดาท่านหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลผลแห่งวิบากกรรมไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณอปฏิกสัตต์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกศา ส, สดาอีกท่านหนึ่งมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำไว้ดีและชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีมารดาบิดามีคุณอบปฏิกสัต์มีศา ส, สดาอีกหนึ่งท่าน มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าหมองเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าหมองทำด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นทำให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ดักล้นเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปไม่มีบาปเกิดขึ้นจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขา หากแม้บุคคลทำบุญให้ทานก็ไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์ส่วนศาสดาอีกท่านหนึ่งมีวาทะตรงข้ามกันคือผู้ใดทำบุญย่อมได้บุญทำบาปย่อมได้บาปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้มีความเคลือกแลนสงสัยว่า บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นใครพูดจริงใครพูดเท็จทรงตอบว่าธรรมะสมาธิมีอยู่ข้อนี้ธรรมะสมาธิหมายถึงกุศลกรรมบถสิบประการถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมะสมาธิคือกุศลกรรมบถสิบประการนั้นพึงได้จิตตะสมาธิคือมรรคสีและวิปัสสนา หรือจิตเตกัคตาเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพึงละความเคลือบแคลงนี้ได้ธรรมสมาธินี้เป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในศาสนานี้ละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์ละและเว้นจากการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อ ละเว้นจากความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นละเว้นจากความประทุษร้ายที่เกิดจากพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทละมิชาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอริยาสาวกนั้นปราศจากความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นปราศจากพยาบาทอย่างนี้ไม่หลงมีสติสัมปชัญญะมีเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิต และอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทุกทิศแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบู์เป็นมหักคาตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าศา ส, สดาผู้มีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลโลกนี้โลกหน้าไม่มีเป็นต้นนั้น ถ้าศาสดานั้นพูดจริงข้อที่เราสำรวมกายวาจาใจและข้อที่เราหลังจะตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งสองข้อนี้เป็นการถือเอาชัยชนะในคำสอนเพราะเราไม่เบียดเบียนใค ร, ใครไม่ว่าผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงจึงเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดปราโมทดก็เกิดแก่อริยส า, าวกนั้น เมื่อเกิดปราโมทปีติก็เกิดเมื่อใจเกิดปีติกายก็สงบเธอผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมัน่นธรรมะสมาธิเป็นอย่างนี้แหละถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมะสมาธินั้นพึงได้จิตตะสมาธิเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพึงละความเคลือบแคลงนี้ได้ อีกประการหนึ่งอริยาสาวกนั้นปราศจากความเพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นปราศจากพยาบาทมีสติสัมปชัญญะแผ่คลุมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจิตแผ่ไปทุกทิศ ต, ตลอดโลกทั่วทุกมูเหลา่าอริยาสาวกนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า ศา ส, สดาผู้มีวาทะว่าทานที่ให้แล้วมีผลโลกนี้โลกหน้ามีจริงเป็นต้นนั้นถ้าศาสดานั้นท่านพูดจริงข้อที่เราสำรวมกายวาจาใจและข้อที่เราหลังจากตายไปแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งสองข้อนี้เป็นการถือเอาชัยชนะในคําสอนเพราะเราไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าผู้สะดุ้ง หรือผู้มั่นคงปราโมทย่อมเกิดปิติเกิดกายสงบเมื่อกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้พึงละความเครืบแคลงนี้ได้และโดยในยะเดียวกันศา ส, สดานั้นจะมีทิฏฐิอย่างไรก็าตามถ้าศาสดานั้นพูดจริง ข้อที่เราสัมรวมกายวาจาใจและข้อที่เราหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งสองข้อนี้เป็นการถือเอาใจชนะในคาสอนเพราะเราไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคงจึงเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดปราโมทก็เกิดแกอริยาสาวกนั้นเมื่อเกิดปราโมทปิติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติกายก็สงบเธอผู้มีกายสงบย่อมอยู่สบายจิตของเธอผู้อยู่สบายย่อมตั้งมัน่นธรรมสมาธิเป็นอย่างนี้แลถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมสมาธินั้นพึงได้จิตตะสมาธิเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพึงละความเครือบแคลงนี้ได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านชื่อปาตาลิยะได้กราบทูลสรรเสริญพระภาษิตประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงสารณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต